1.2 กิรกิยาหลักมีคำเดียวคือคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้วงเล็บเปิด 24. มีนาคม 2,550 นาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที4วงเล็บปิดทันทีที่เรายินดียินร้ายแล้วเราเข้าไปแทรกแซงความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเราสักว่ารู้สักว่าเห็นความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนว่าจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะ รู้เฉยๆมันเป็นธรรมดาที่ราคาจะต้องเกิดมีเหตุเขาก็เกิดจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะไม่ได้ให้แก้เพราะฉะนั้นจิตจะปรุงแต่งไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคือเราอยากเข้าไปปรุงแต่งจิตถ้าจับหลักตรงนี้ได้การภาวนาจะราบรื่นอะไรก็ได้ที่ปรากฏขึ้นมาสุขจะเกิดก็ได้ทุกข์จะเกิดก็ได้เฉยๆจะเกิดก็ได้ กุศลก็ได้โลภโกรธหลงก็ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์อย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยอย่างความโกรธก็แสดงไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเราบังคับมันไม่ได้ทุกๆตัวแสดงไตรลักษณ์เหมือนๆกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในทางจริยธรรมสภาวะธรรมแต่ละอย่างไม่เท่าเทียมกัน กุศลย่อมดีกว่าอากุศลแต่ในขั้นของการเจริญวิปัสสนานี่สภาวะธรรมทั้งหลายเ ท, าเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดังนั้นกุศลเกิดขึ้นก็รู้ไปอกุศลเกิดก็รู้ในสติปัฏฐานสอนว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตมีโมหะเป็นอกุศลจิตไม่มีโมหะเป็นกุศลกิริยาที่ทำต่อกุศลและอกุศลนั้นเท่าเทียมกันคือรู้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามีแต่หน้าที่ของการรู้ถ้าเราไปดูมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรซึ่งมีหลายสูตรที่เรียกมหาสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่สติใหญ่นะมหาสติปัฏฐานหมายถึงมหาสูตรสูตรนี้ใหญ่มีสติปัฏฐานสูตรย่อยๆอีกหลายสูตรในสติปัฏฐานทุกๆสูตรนี่กิริยาหลักมีอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ หายใจเข้าสั้นก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีแต่คำว่ารู้คู้ก็รู้เหยียดก็รู้เลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้ก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้รู้อยู่มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้มีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้มีนิวรณก็รู้มีการมาฉันทันนิวรณก็รู้รู้ว่านิวรณเกิดจากอะไรนิวรณดับไปได้เพราะอะไรหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ภายนอกก็รู้ทันรู้ตาด้วยรู้รูปด้วยรู้หูด้วยรู้เสียงด้วยตัวสำคัญคือรู้การกระทบด้วยรู้วิญญาณที่รับรู้การกระทบด้วยรู้สังโยชน์รู้กิเลสที่เกิดตามหลังการกระทบด้วยไม่ได้มีตรงไหนเลยที่บอกว่าให้เกินรู้ ไม่ใช่ตามองเห็นรูปแล้วให้ตัดความรู้สึกเสียหรือให้กำหนดที่ตากำหนดที่รูปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านให้รู้ไม่ได้ให้กำหนดลงไปถ้ากำหนดลงไปแล้วใจมันจะนิ่งมันจะไม่มีกิเลสไม่มีสังโยชน์อะไรที่เกิดตามหลังมาดังนั้นเราตามรู้ธรรมดานี่เองพอรู้แล้วใจเราปรุงกิเลสขึ้นมาเราก็รู้ทันคาว่ารู้นี่เป็นคาสาคัญในสติ ป, ปัฏฐานเต็มไปด้วยคาว่ารู้ไม่มีคาว่าละ แต่เมื่อเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริงมากแล้วมันจะละอันหนึ่งคือมันจะละความยินดียินร้ายในโลกคำว่าโลกก็คือกายใจรูปนามนี่เองเป็นคำว่าโลกในนิยามศาสนาพุทธนะโลกมีนิยามว่าหมูสัตว์ก็ได้มีนิยามว่ารูปกับนามก็ได้กายกับใจนี่เองที่เรียกว่าโลกเราทาสติปัฏฐานเรารู้กายเวลารู้กายถูกต้องมันรู้ใจด้วยจะรู้ทั้งกายทั้งใจ หรือเราทำจิตตานุปัสสนาเรารู้จิตถ้ารู้จิตถูกต้องก็จะรู้กายด้วยมันจะเนื่องกันพอรู้แล้วเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามแล้วมันจะละความยินดียินร้ายในรูปในนามนั้นได้เช่นเราเคยยินดีกับความสุขยินร้ายกับความทุกข์ยินดีกับกุศลยินร้ายกับอกุศลพอเราจเจริญสติปตัฏฐานมากๆเราก็จะเห็นว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวกุศลชั่วคราวอากุศลชั่วคราว ทุกอย่างชั่วคราวเพราะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวมันเสมอภาคกันจิตจะไม่ยินดีอินร้ายในสิ่งทั้งปวงจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางรู้รูปด้วยจิตเป็นกลางรู้นำมาทำทั้งหลายด้วยจิตเป็นกลางจิตไม่เติมแต่งไม่ปรุงแต่งต่ออะไรปรากฏก็ได้สภาวะธรรมใดใดปรากฏก็เสมอภาคกันหมดเลยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจิตไม่ปรุงต่อ เพราะฉะนั้นจิตจะปรุงลาคขึ้นมาปรุงโทสะขึ้นมาหรือมันจะภาคขึ้นมามันจะบรรยายขึ้นมามันจะพูดขึ้นมาไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นปรากฏการ์ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจไม่ยินดีอินร้ายขึ้นมาพอใจเราไม่ยินดีอินร้ายใจจะไม่ปรุงแต่งพอมันหมดความปรุงแต่งจิตจะเข้าไปสัมผัสธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานได้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 เพราะว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้ความไม่เห็นของเราไปบังไว้พอเราเกิดอวิชชาเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราหวงแหนกายนี้ใจนี้อยากให้มันมีความสุขนี่คือความไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นก้อนทุกข์ก็เกิดอยากให้มันมีความสุขเกิดสมุทยัยเกิดการดิ้นรนขึ้นมาจิตใจยิ่งมีความทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าไปอีกถ้าเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนเลย นิโรธจะปรากฏขึ้นคือนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเลยนะนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสิ้นตัณหานั่นเองสิ้นความทยานอยากของจิตเมื่อสิ้นความทยานอยากของจิตสิ้นตัณหาภพคือการทํางานของจิตก็จะไม่เกิดขึ้นคือจิตจะไม่ปรุงต่อแล้วเมื่อไม่มีภพไม่มีการทํางานของจิตจิตจะไปสัมผัสเห็นนิพพานได้ ทันทีที่เรารู้ทุกแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจนี้แจ่มแจ้งจนกระทั่งรู้ว่าเป็นแค่ธาตุแค่ขันไม่ใช่เรานะหมดความรักหมดความอยากสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติหมดความอยากจะให้มันสุขให้มันดีให้มันคงทนถาวรให้มันเที่ยงให้มันบังคับได้ตลอดไปพอหมดความอยากนิโรธหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาการที่เรารู้ทุกจนกระทั่งหมดความอยากละสมุทัยได้ แจ้งนิโรธต่อหน้าต่อตาเรียกว่ามรคมรคตัวนี้เรียกว่าอริยมรคส่วนมรคที่พวกเราคอยรู้กายคอยรู้ใจนี้ไม่เรียกว่าอริยมรคแต่เรียกว่าบุพภะภาคมรคหรือมรคเบื้องต้นนะยังไม่ใช่ตัวอริยมรคนะที่พวกเราเดินกันอยู่อริยมรคจะเกิดขึ้นเองถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเต็มที่เราใจยอมรับอริยมรคจะเกิดขึ้นเอง เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวสังโยชน์ก็ขาดแล้วขาดแล้วขาดเลยไม่กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่นะยางสังโยชน์ทั้งหลายก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะเมื่อก่อนหลวงพ่อเข้าใจผิดตอนหัดภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อคิดว่าสังโยชน์มีอยู่ตลอดเวลาแต่อย่างตอนที่จิตลงภวังนี่จะไม่มีสังโยชน์หรือเด็กเกิดใหม่ๆเด็กไม่ได้สําคัญว่านี่กายนี่ใจของตัวเองนี่เป็นตัวเราเด็กคิดไม่เป็นดังนั้นเด็กที่เกิดใหม่ไม่มีสักยัตทิฏฐิ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 ถ้าเราขาดสติเมื่อใดกิเลสก็เกิดขึ้นมาฉะนั้นตัวกิเลสเองก็เกิดเกิดดับดับสังโยชน์เองก็เกิดเกิดก ด, ดับดับเป็นขณะขณะไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมอื่นๆ น, นั่นเองดังนั้นไม่ต้องไปเกลียดมันมันเกิดขึ้นมาก็รู้ไปมันเกิดแล้วก็ดับให้เราดูแสดงธรรมะให้เราดูเท่าเทียมกับธรรมะฝ่ายกุศล น, นั่นแหละพอรู้ชัดๆรู้มากๆนะถึงจุดที่อริยมรรคเกิดขึ้นแล้ว มันจะตัดสังโยชน์เด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างพระโสดาบันขาดสติได้ไหมพระโสดาบันขาดสติได้แต่ขณะที่พระโสดาบันขาดสติจะไม่มีสากะยะัิฐิขึ้นมาขาดแล้วขาดเลยดูลงมาทีไรนะไม่มีความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเลยแต่ว่ายึดถือไว้ฉะนั้นการภาวนาถ้าจิตของเราจะภาคจิตจะมีความโลภโกรธหลงไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้าเราเกิดยินดียินร้าย